สติเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สติตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อสติเข้มแข็งจิตมั่นคงคือสมาธิเพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินี่ใครจะได้สมาธิขั้นใดตอนใดก็ช่างแต่ผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายคือสติตัวเดียวโพชังโคสติสังคาโตสติเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ เมื่อสติกำหนดจดจ้องดูสิ่งที่เกิดดับกับจิตตลอดเวลาธรร ม, มานานวิจโยตถาเป็นการสอดสองธรรมวิริยามปีติปสัสสติเกิดความเพียรเกิดปีติเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความเป็นกลางมันจะไปของมันตามลำดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอน่งปับลงไปจิตสงบนิดหน่อย จิตมันผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นมันแสดงว่าเราจะได้ผลเลิศในทางปฏิบัติแล้วถ้าพอพุโทโธพุโทโธพุโทโธรู้สึกวูบๆูบละเอียดเข้าไปแล้วบางทีมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าพอสงบปั๊บลงไปแล้วมันเกิดความรู้ผุดขึ้นผุดขึ้นนี่เร็วเพราะจิตมันสามารถหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองได้แบบสงบลงไปปุ๊บลงไปนิ่งว่างสว่างสบายเรื่อยไป นี่มันเข้าฌานสมาบัติสมาธิในฌานสมาบัติไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นเพียงที่พักจิตสร้างพลังจิตสร้างฤทธิ์อิทธิพลสร้างอำนาจ